5.12 คาถาแก้จนวงเล็บเปิด31มีนาคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดจิตใจที่เข้าไม่ถึงธรรมะมันอ่อนแอมันพร้อมจะหาอะไรก็ได้มาช่วยเราส่วนจิตใจของชาวพุทธนี่เป็นจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งช่วยตัวเองไม่งอมืองอเท้านะช่วยตัวเองอยู่ในหลักของศีลและธรรมตามที่พระพุทธเจ้าบอกยังเกิดมายากจน ไม่ใช่ไปขอให้เทวดาช่วยให้หายจนนั่นโง่นะถอยหลังไปหลายพันปีเลยเกิดมาจนแล้วก็หาอะไรมาห้อยให้เฮงให้รวยไม่เฮงรวยแต่เฮงสวยนะอย่างน้อยเสียเงินไปเป็นแสนแสนไปซื้อมาอยากรวยเหรอพระพุทธเจ้าก็สอนคือขยันธรรมมาหากินอุตสานสัมปทาขยันหาทรัพย์ามัวรีรองานสุจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารั้งรอเร่งทํากินได้มาแล้วต้องรู้จักรักษา อารักขะสัมปทาได้สมบัติมาแล้วต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักกัลยาณมิตรตาคบคนที่ดีคนที่แนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์ในการทำมาหากินจนถึงประโยชน์ในการดำรงชีวิตไปคบคนที่ไม่ดีชักพาไปในทางเสียหายยังไงก็ไม่รวยนะแล้วอีกอันหนึ่งคือสมชีวิตตาคือเสมอต้นเสมอปลายใช้ชีวิตแบบพอเหมาะพอควรไม่บริภคอะไรที่เป็นส่วนเกินมากนัก ทุกวันนี้เราบริโภคส่วนเกินมหาศาลนะอย่างเสื้อตัวหนึ่งราคาร้อยบาท200อบาทก็มีใช่ไหมต้องใส่ตัวละหมื่นสองหมื่นเราบริโภคส่วนต่างตรงนี้นะความจริงไม่ได้บริโภคอะไรแต่ถูกเขาหลอกว่าใส่แล้วมันโก้ใส่แล้วมันน่าภูมิใจไม่เหมือนคนอื่นเนื้อคนอื่นดูซิอยากเนื้อคนอื่นนะคือสนองอัตตาถ้าได้ใส่สินค้านี้มีสินค้านี้แล้วมันเหนือคนอื่นมันสนองอัตตาทั้งหมดเลยมันเอากิเลสมาหลอกเราให้เรายากจน มีเงินเท่าไหร่ก็ไปทุ่มให้เขาหมดถ้าเราเป็นชาวพุทธเราดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติปัญญานะรู้จักหากินรู้จักดำรงตนรู้จักใช้จ่ายอะไรให้พอเหมาะพอควรไม่โจรหรอกนะนี่เป็นคาถาแก้จนนะเอาอะไรมาห้อยแล้วมันจะหายโจรได้อย่างไรหนักคอด้วยเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันใหญ่ๆอีกหน่อยคงเหมือนกับจี้โบราณเคยเห็นไหมจี้ใครเคยดูลิเกสมัยโบราณ ดังนั้นถึงจะมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานะก็ตกเป็นเหยื่อกระทั่งศรัทธาต่อพระนะเข้าวัดเขาหลอกให้สร้างโน้นสร้างนี่สร้างเข้าไปสร้างแล้วจะไม่ตกนรกก็มันตกนรกตั้งแต่จ่ายเงินไปแล้วทําบุญหมดเนื้อหมดตัวนะบางคนนะขายบ้านไปบริจาคทาบุญกลับบ้านสามีเตะเอานะหมดบุญแล้วจิตใจเศร้าหมองดังนั้นมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญามีปัญญาก็ต้องอาศัยศรัทธา มีวิริยะความเพียรมากไปจิตใจฟุ้งซ่านก็ต้องทําความสงบเข้ามามีความสงบมากไปจิตใจซึมเซาขี้เกียจขี้คร้านไม่เดินปัญญานะจะมีอยู่ตัวหนึ่งสังเกตไหมว่าไม่มีคู่คือสติตัวอื่นมากไปน้อยไปไม่ดีสติยิ่งมากยิ่งดีหลวงพ่อใช้คําว่ามากหมายถึงสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีไม่ใช่สติกล้าแข็งแล้วยิ่งดีนะสติกล้าแข็งเป็นวิปัสสนูสติกล้าแข็งไปเร้าใจตัวเองให้แข็ง อย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตใจกระด้าง